อีกไม่กี่วันออกพรรษาแล้วเมื่อวานก็ขึ้น8ค่ำเดือน11วันนี้ก็ขึ้น9าค่ำเป็นวันที่28กันยา52ไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นปน อ, อกพรรษาและกับกรถินของเราช่วยๆกันเน้องในครัวเ้อที่เราเคยประชุมกันนั่นะเอาพวกฝ่าย ลูกหลานฝ่ายผู้หญิงมาช่วยช่วยกันดูว่า ง, งานนี้เป็นงานต้อนรับขับสู้ทางฝ่ายครูบาเนี่ยก็บอกทางผู้ใหญ่บ้านที่เราเคยไปชมกันนะ่ะมาช่วยช่ยงานกันแต่ฝ่ายครูบาของมอนกันนะครูบาที่เป็นแม่แรงต่องระดมะข่าวนะี่ระดมผลว่างานทะ ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือดูแลเสนาสะนะที่พักพาอาศัยที่นอนหมอนมุง้งที่มันอยู่ในวัดของเราช่วยๆกันทำความสะอาดเพราะพี่น้องทางไกลจะเข้ามาเกี่ยวข้องงานทีปีหนนงานวัดของเราถ้าไม่มีอะไรก่อนเนี่ยมีอยู่สามครั้งนะแต่ปีที่แล้ว ย่นลงให้เหลือสองครั้งครั้งนี้ก็คือกระถินเนี่แหละเป็นงานใหญ่งานที่สองก็คือถือหลวงพ่อจะบอกว่าไม่จัดไม่จัดแต่คนมันก็เต็มวัดอีกเหมือนกันก็คืองานวันเกิดงานที่สามก็คืองานทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณนั่นเป็นงานที่สามที่งานใหญ่ที่พวกเราได้เตรียม แต่ปีที่แล้วในหลวงพ่ อ, อไม่ไหวละงานอะไรมาลุมมาตุ่มเข้ามามากก็เลยงานทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลผู้มีอุปการะคุณก็เลยย่นเข้ามาหาวันเกิดหลวงพ่อเลยจัดทีเดียวให้จบไปเลยปีที่แ ล, แล้วมีสองครั้งอันนี้คืองานภายในวัดของเราช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันอ่านนั่นะ พะอวัของเราถ้าพร้อมเพียงสมัคคีกันแล้วไม่มีปัญหางานทุกอย่างถ้าว่าอยู่ในวิสัยวิสัยที่มนุษย์จะทำได้เว้นเสียแต่เหลือวิสัยงานที่เหลือวิสัยมันมีแต่งานที่อยู่ในวิสัยที่พวกเราจะทำได้อยู่ในสถานะนั้นๆในกลุ่มนั้นๆสถานะนั้นๆการเป็นอยู่นั้นๆ บริษัททางร้านนั้นๆครอบครัวนั้นๆวัดนั้นๆที่จะทำได้มันก็ไม่เหลือวิสัยถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีท้าว่าแตกสามัคคีกันคนละทิศละทางสิ่งไหนที่จะเป็นไปได้ก็เป็นไปไม่ได้สิ่งไหนที่ลงเ อ, อ่ยได้ง่ายๆก็ลงเ อ, อ่ยกันไม่ได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะ คนกลุ่มนั้นไม่มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันหลักการไหนก็ตามหลักการดีเขียนออกมาจะรวยสวยหรูออดดรไม่รู้ว่ากี่คนโปรฟิเซอร์อีกกี่คนกันกรองหลักการดีทุกอย่างแต่คนไม่ดีแต่คนไม่มีคุณภาพ หลักการนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตไรเพราะมันอยู่กับคนถ้ า, าคนดีสัอย่างหลักการดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นเราต่อเติมทีหลังเพราะว่าคนมีคุณภาพคนมีคุณธรรมที่ดีเหมือนกระตุกกรตาเนี่ยถ้าเราแต่งขึ้นมาแล้วเออตุ ก, กตาเป็นรูปทรงลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าหากว่าคนไม่มีคุณภาพ ไม่รู้จะทำยังไงเสร็จแล้วก็มีแต่มองดูเฉยๆนะ่ยคนหนึ่งก็ไปทำปอกคนหนึ่งก็ทำแปะก็ไม่รู้ว่าจะแต่งเติมตรนไ้นให้มันงามผลที่สุดก็ตุ๊กตาตัวนั้นก็เลยไม่ไปหน้ามาหลังจบเพราะเหตุใดเพราะคนไม่ได้ให้ความไม่ได้ให้ความใส่ใจไม่ให้ความสนใจแต่ถ้าเมื่อโครงสร้างเป็นตุ๊กตาขึ้นมาแล้ว เออเนี่ยงานของเราจะไปในลักษณะอย่างนี้นะประเทศชาติของเราจะไปในลักษณะอย่างนี้นะหบริษัทห้างร้านของเราจะไปในลักษณะอย่างนี้นะวัดว่าศาสนาของเราจะไปในลักษณะอย่างนี้นะพอเขียนเป็นตุกตาขึ้นมาคนหนึ่งเออตรงนั้นอะวัดของเรามันน่าจะเพิ่มเติมจุดนั้นนะควรจะจุดนั้นของเรายังบกพร่องอยู่เลยคล้ายๆแต่งเติมเลยแต้มคิ้วแต้มหนวดแต้มหน้าแต้มตา ทำเล็บให้ยาวแขนให้ยาวให้มันสวยงามขึ้นมานอันนี้คือคนในกลุ่มนั้นให้ความสนใจงานหรือว่าตุ๊กตาตัวนั้นก็สวยงามอันนี้ก็เหมือนกันงานที่พวกเราจะทำงานทุกอย่างมันก็ต้องมีตุ๊กตาก่อนอย่างวัดของเราก็เหมือนกันเอองานของเราจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเพียงแต่พูดเท่านั้นต่างคนก็ต่างไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจ งานในวัดของเราขาดตกบกพ้องแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นรับพูดอย่างนั้นได้แต่ถ้าว่าพวกเราใส่ใจทุกคนใส่ใจใครมีหน้าที่อะไรถ้าว่าผู้มีหน้าที่น้ำน้ำเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะในวัดของเราเนี่ยน้ำนะพอคนมามากๆจะขาดน้ำเลยดูไม่จืดนะไอ้ผู้ที่น้ำาแล้วก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่เนิ่นๆ เ, เลยไม่ใช่แบบ ใกล้ๆปุบปับเราจะไปเตรียมอาจจะไฟเสียก็ได้อาจจะไฟะไดับก็ได้อาจจะเครื่องเสียก็ได้ใกล้ๆจะไปเร่งสูบก็ได้ยังไงบางทีมันเครื่องเสียเราจะแก้ทันไหมมันแก้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องสูบแต่น น, น่นดน้ําเป็นหัวใจสําคัญเราต้องเตรียมไว้แต่น น, น, นพอน้ําเต็มถังหมดแล้วถึงเครื่องมันจะเสียเครื่องไฟดูดน้ํามันจะเสียเราก็มีโอกาสที่จะซ่อมแก้ไขได้ ในขณะที่มันกระทันหันน้ําเราก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าว่าน้ําก็ผ่องเครื่องก็เสียพวกเราคิดดูกันแล้วกันนี่แหละอันนี้แปลว่าการวางแผนในการทํางานอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังงานทุกอย่างก็ลักษณะอย่างงานเหมือนกันอย่าไปทําแบบปรับปรับอย่าไปทําแบบเร่งด่วนให้ทําไว้แต่เนิ่นเอ่านให้ไกลๆเอาไว้ว่าตัวไหนสําคัญตัวไหนรอง ตัวไหนเป็นที่หนึ่งที่สองที่สอันนี้ก็คือการวางแผนสรุปแล้วก็คือโครงสร้างดีโครงการดีแต่คนไม่ดีคนไม่มีคุณภาพงานชิ้นนั้นไม่ประสบความสำเร็จพูดอย่างนั้นได้แต่มาพูดอีกว่าคนชั่วเนี่ยคนคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเนี่ยจะไม่ยอมรับ สิ่งที่ดีถ้าว่าใครบอกมาสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ไอคนชั่วทั้งหลายคัดค้านหมดเพราะมันความชั่วอยู่ในใจมันมีกิเลสอยู่ในใจมันมีอยู่ขวางเหมือนกันเถอะมันขวางใจถ้าสิ่งที่ไปที่ดีเนะี่ยพอทําเข้าไปก็กลัวคนอื่นเขาได้หน้าบังกลัวคนอื่นเขาได้เกียรติยศบงังกลัวคนอื่นได้รับความยกย่องบงังตัวเองก็ขวางเพราะเหตุอะไรเพราะมันกิเลสอยู่ในใจมันมี ไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเข้าใจในสิ่งที่เขาบอกว่าเข้าใจนะไม่ยอมเข้าใจไม่อยากเข้าใจอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะคนตัวคนนั้นมันมีนมกิเลสความชั่วอยู่ในหัวใจคนประเภทอย่างนั้น่ไปที่ไหนก็ขวางโลกเขาทั้งหมดอยู่ในครอบครัวก็ขวางครอบครัวขวางพ่อขวางแม่ขวางลูกขวางหลานอยู่ในวัดวาศาสนาก็ขวางครูบาอาจารย์ขวางหมู่ขวางเพื่อน ไปอยู่ที่ไหนขวางหมดคนประเภทนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูตนเองที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้จําเพาะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้คือพูดเป็นตุ๊กต า, กตากอย่างที่ว่านัะนเป็นภาพรวมขึ้นมาแพวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าที่ผมพูดไปเนี่ยจริงไหมนะผมว่าผมเอาความจริงออกมาพูดให้แก่หมู่เพื่อนฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา เพราะทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นโดยมากสิ่งที่ควรจะเข้าใจก็ไม่อยากเข้าใจก็รู้รู้รท้งรู้ว่าสิ่งนั้นที่ทำไปแล้วมันจะเสียหายแต่ว่าทิธิมานะอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยใครจะเสียหายอะไรก็ช่างก็ข้อสำคัญให้ข้าเนี่ยเหนือกว่าได้ทำลายเท่านั้นพอให้นี่แหละอันนี้เลยถ้าจะว่าไปพวกประเภทอย่างนี้เป็น ลุกสิทธิ์ของพระเทวทัตว่างั้นเลยในครั้งพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าปราณีประนอมบอกอย่าทําอย่างนั้นนะทำอย่าพูดอย่างนั้นนะมันไม่ดีโพดลักษณะอย่างนั้นแหะเทวทัตว่างั้นเลยเททลไอ้สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวแล้วแหละอยากทาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเลยตรัสที่ตนแตกหักกระตรงที่พระเทวทัตมีแต่ทะเยอะทะยานอยากจะได้ลาบได้ยศ อยากจะได้สรรเสริญจากคู่คนทั้งหลายอยากจะให้เขายกย่องตัวเองในพวกตัวเองเหยียบคนอื่นวันนะั้นจะเหยียบทั้งกระทั่งพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยไปชมุมพูดในท่ามกลางสงเลยว่าดูก่อนสงทั้งหลายเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องสุขอันนั้นเป็นสนเห์หรือน้ํำลายของพระริยาเจ้าที่ท่านถุยออกไปแล้วแต่คนโง่ทั้งหลาย คนที่ไม่มีปัญญาแย่งกันแย่งกันกินหรือว่าเลียกินน้ำลายของพระอริยะเจ้าถือว่าสิ่งนั้นเป็นของที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาอันนี้พระพุทธเจ้าพูดในในท่ามกลางสงท่านก็บอกบงเลยนะเนี่ยเทวทัศเนี่ยแจ้งน้ำลายแย้งเสศษ ที่พระริยาเจ้าถุยออกไปแล้วเพียงแค่นั้นแหละเหมือนกับพระพุทธเจ้าเอาแสตีหลังงูเห่าเลยนะ่ชูคอขึ้นมาทันทีเลยนี้เนี่ยนะี่แหละจะต้องรู้ว่าเป็นยังไงนะคนผ่านเป็นลักษณะอย่างนั้นพระนิสสุกไปสมคบกับป้าปมิตรเข้ามาทีนี้เพื่อจะทำร้ายอีกฝั่งตรงข้ามแต่บารมีของพระพุทธเจ้านี่ ที่ท่านสังสมมาตั้งเสียสงไข่กำไรแสนมหากรับเนี่ยบริบูรณ์ลแล้วถึงใครจะคิดฆ่าใครจะทำร้ายทำลายยังไงไม่มีใครที่จะทำได้เพราะบา ร, รมีของพระ อ, องค์พร้อมแล้ว น, ะนี่แหละก็รทำเทวทัตฝ่ายนั้นก็เป็นฝ่ายแพ้ต่อไปทำยังไงก็ไม่ชนะเป็นฝ่ายแพ้นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทำย่อมชนะธรรม แต่ว่าทรรมถึงจะเป็นผู้แพ้ถึงอาธรรมจะชนะไปก็าตามแต่ว่าอาธรรมนั้นจะต้องแพ้ตัวเองต่อไปภายภาคหน้าอาธรรมเลยต้องแพ้แพ้ภัยตนเองแต่ธรรมเนี่ยถึงจะแพ้แต่ก็เป็นผู้ชนะชนะโดยธรรมเหมือนกับทองคำถึงจะไปมุดขี้ตมขี้โคนยังไงถึงจะไม่ ปาน้ำตราหน้าอย่างไงทองคํามึงไม่มีคุณค่ามึงไม่มีประโยชน์อย่างไงแต่ทองคํานั้นในขณะที่คนปานา้ำหรือคนใส่ร้ายทองคํามันก็มุดอยู่อย่างนั้นเป็นทองคําอย่างนั้นแต่เมื่อผู้ใดเห็นคุณค่าทองคําเมื่อไหรเมื่อนั้นทองคําก็จะโดดเด่นขึ้นมาสําหรับคนที่รู้จักคุณค่า คนที่ไม่มีคุณค่ากันนั่นแหละประนามไปแล้จากนั้นก็แพ้ภัยตัวเองอย่างที่ว่านะใครจะว่าตะกัวหรือว่าอันไหนเหล็กว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าทองคํามันเป็นไปไม่ได้ทองคําก็คือทองคําทั้งแท่งเหล็กก็คือเหล็กตะกัวก็คือตะกัวนี้ก็เหมือนกันความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดี หลักของพุทธศาสนาเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถึงจะไปเป็นครวญญาติโยมทรรมาค้าขายก็อย่าลืมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่าลืมทองคาในใจตัวเองแต่สิ่งไหนที่เป็นเทองตะกัว่วเป็นทองเป็นเหล็กเป็นสนิมนะพยายามสกัดสนิมออกให้เป็นสเตนเลสเพราะ ง, งั้นนะแล้วก็พยายาม ส่งเสริมทองคําคือคุณงามความดีให้หนักแน่นต่อไปภายภาคหน้าเราเองนะ่ะจะภาคภูมิใจอย่างมากตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชที่วัดหลวงพ่ออินวัดป่านาคําน้อยปี 2,552 จากนั้นมาข้าพเจ้างดทั้งหมดเล่างดการเที่ยวการเตะข้าพเจ้าเห็นโทษแล้วที่ผ่านผ่านมาตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะดํารงทรงตัวให้เป็น ที่ยอมรับของตนเองเป็นอันดับแรกผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนลูกหลานทุกองที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือว่าเป็นพระที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็ให้มีหลักให้มีหลักส่วนผมเองมีแต่แนะนําสั่งสอนไม่รู้จะอยู่กับด้วยกันนานสักเท่าไหร่เราเนี้ก็ไม่รู้จะอยู่กับหมู่พกเพื่อนนานสักเท่าไหร่ อันนี้ก็คือชีวิตของพวกเรายืมวันอยู่ยืมวันอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายข้าพ เ, เจ้าจะอายุถึง 70-80 ปีสัก่อนนะจึงจะตายไม่เคยคิดอย่างนั้นหายใจไม่เข้าเมื่อไหร่หายใจไม่ออกเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเมื่อตายแต่ว่าถึงจะตายยังไงก็ตามเราจะภาคภูมิใจในการกระทําของเราเราไม่ได้ทําความชั่วช้าเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีไหมท่าผู้ใด ไ ด, ไ, ดได้รับการกระทบกระเทือนจากเราไปเราพร้อมที่จะขออภัยขอโทษว่าที่เราได้ทำไปนั้นเราคงไม่มีเจตนาแน่แต่ว่าการกระทำและการพูดของเรานั้นอาจจะไปกระทบกระเทือนท่านแต่เรายินดีขออภัยในการพูดและการกระทานั้นนี่แหละอันนี้เป็นภาษาริบุตพระสงฆ์ที่มีกิเลส ในครั้งนั้นก็มีเหมือนกันมีเยอะแยะเลยเหมือนกันเพราะพระ เ, เจ้าดูก่อนส่งทั้งหลายเสยนาบดีสารีบุตรของเราเนี่ยจะออกไปเที่ยววิเวกนะผู้ใดจะไปส่งทำเสนาบดีของเราก็ไปได้ไปส่งได้ตอนนี้พระสารีบุตรท่านมีปริวานทั้งห้าร้อท่านก็เออ อ, ออกจากวัดป่าเชตวันจะเดินธุดงไปประกาศ ท่านไปที่ไหนก็มีแต่ประกาศมีแต่การเผยแพร่ธรรมะสู่พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ทีนี้ท่านไปที่ไหนก็เกิดประโยชน์ท่านไปทางนู่นเอาป้ายประกาศพระศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างนี้เน้อศรัทธาญาติโยมคนทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังจากพระธรรมประเทศสนาจบพระอัครสาวกคือสารีบุตรเวลาท่านเดินออกไป ก็มีพระไปส่งมากท่านก็ทักทายองค์นั้นว่าเออไปไง่ายท่านเดีนะตั้งใจนะท่านอยู่ที่ไหนอะไรลักษณะนั้นนะ่ะให้ใครบอกผู้ใหญ่ทักทายเด็กว่างั้นเถอะแต่นี้องค์อยู่ใกล้ๆข้างๆอยากจะให้ภาษารีบุตรทักทายตัวเองท่านก็ไม่ทักทายท่านก็ทักทายองค์อื่นเสร็จแล้วก็ท่านก็เดินเปินเอาต่า ง, งกันลากันแล้วนะเนี่ยผมไปแล้วนะต่างองค์ตั้งยัยนะหมูพวกเพื่อนนะจากนั้นผ้าจีวรเนี่ยก็เลยไปปัด หัวของพระองค์นั้นอ่ะผ้าจีบอของพระสารีบุตรพระอยู่ใกล้ท่านนะี่ยพอไปปัดหัวหัวพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็เห็นว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีอัคติทักทายแต่คนอื่นไม่ทักทายตนเองเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นหัวหลักหัวต่อหน้าอายหมู่พวกเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็อยู่ใกล้ๆติดชายผ้าจีวรท่านอยู่แต่ไปทักทายองค์อื่นองค์นี้ก็คล้ายๆว่า พระทั้งหลายก็รู้แล้วว่าองค์นี้อยากจะให้ภาษาลิบุตรทักทายตัวเองเ อ, องค์ที่มีกิเลส ด, ด้วยการก็กคงจะว่าโอ้ยสมน้ำหน้าทําท่าเข้าไปไปจบอยู่ใกล้ๆภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็เลยไม่ทักทายสมน้ำหน้าเลกลัวหมู่จะว่าอย่างนั้นอีกต่างหากลักษณะอย่างนั้นะคนมีกิเลสมันต้องย่อเย้ยกันอันนี้คือไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้เหมือนกัน่ะที่ภาษาลิบุตรท่านก็มาเลยทักทาย ท่านก็คงจะเห็นว่าเป็นพระน้อยพระนุ่งคงไม่จําเป็นมากกว่ทักทายผู้ใหญ่ไปแล้วก็แล้วลักษณะอย่างนั้น่ะที่รู้ๆกันจากนั้นพระองค์นี้มากราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระสารีบุตรเอามือและอะไรตบบ้องหูตัวเองอย่างแรงว่างนันม า, งาาามมนมาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ้าวทาไมก็มีคนมาฟ้องแล้วก็ต้องมีเหตุใช่ไหมท่านก็เลยบอกให้พวกพระสงฆ์ไปตามพระสารีบุตรมา พระาจารีบุตรก็ต้องได้กลับมาอีกทเนียมาเอาเป็นยังไงองค์นี้เป็นโจดฟ้องอ่ะเนี่ยพระอาจารีบุตรก็บอกว่ากับผมระลึกไม่ได้เลยว่าได้ทําให้แก่ท่านเมื่อไหร่ได้ทําเมื่อไหร่พูดให้ผมฟังซิถ้าผมพูดให้พระพูดพูดให้ผมฟังผมยินดีขออภัยในการกระทําของผมนั้นแต่ผมระลึกไม่ได้เมื่อไหร่พาเอานั้นก็ไม่รู้จะเอา เรื่องไหนมาพูดก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านสารีบุตรก่อนที่จะเดินผ่านไปในเอาผ้าจีวรปัดที่หน้าที่หูของผมไปนี่แหละเหมือนกระตบบ้องหูลักษณะอย่างนั้นนะเบางคนคนมันหาเรื่องมันจะสรุปแล้วภาษาสารีบุตรก็บอกโอ้ท่ายอย่างนั้นผมไม่มีเจตนาผมขออภัยขอโทษเต่นที่ทําไปอย่างนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเขาบอกจะไปขอโทษทําไมมันไม่ได้มีผิดอะไร แกภาษาลิบูท่านก็นยอมขอโทษนี่แหละพระพุทธเจ้าเลยตาหนิพระองค์นั้นอย่างแรงการกระทำอย่างนั้นมันลูกกะโทษแตทางโทสากติมันไม่ถูกต้องนะท่านเป็นพระนะท่านอย่าทำอย่างนั้นอีกต่อไปนะท่านทำอะไรต้องมีเหตุมีผลนะเพียงแค่นั้นนะท่านทำไมจึงมีเรื่องราวถึงขนาดนี้โมฆะพิษูโมฆะบุรุษพระพุทธเจ้าก็ประ น, นามอีกเีย พระในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันแต่ผู้เป็นปาฏิแล้วผู้มีปัญญาอย่างท่านสารฤบุตรแล้วท่านจะไปถือโทษโกรธเคืองไปสะสมอยู่ในจิตใจท่านทําไมพร้อมที่จะปล่อยวางหมดแล้วพร้อมที่จะขออภัยพร้อมที่จะขอโทษในการที่ตัวเองทําไม่ถูกต้องนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งในการ วางแถวแนวการบริหารคณะสงฆ์ในครั้งพุทธกาลถ้าจะว่าไปแล้วก่อนนั่นแหละคนที่มีกิเลสเนี่ยมันตัวยุ่งว่างั้นแหละผู้ที่เป็นท่านเป็นธรรมแล้วเป็นพระอริยะเจ้าบทกิเลสนั่นแหะอันนั้นแปลว่าลอยนวลว่างั้นแหละไม่มีเรื่องราวอะไรกับพวกผู้มีกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะพวกนี้ชอบจุแยงจกตากันเวอา์นั้นแหละ จกลูกกระตากันเน่ยอยู่ที่ดีก็ไม่ดีแหมืงนกันเลยมือล่วงนั่นล่วงนี่ปากวาจาเนี่ยกล่าวนั่นกล่าวนี้ด่านั่นด่านี้อยู่เรื่อยเหมือนกนแะก็เลยมีเรื่องมีราวเพระฉะนั้นขอให้พวกเรานะผูเข้ามาศึกษาพูดได้ยินได้ฟังกัดูให้ดีสรุปแล้วเขาที่พูดเบื้องต้ น, นหลักการดีแต่คนไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จแต่คนชั่ว ไม่อยากยอมรับฟังสิ่งที่มีเหตุผลไม่อยากจะฟังไม่อยากจะรู้ทั้งที่บอกให้รู้ไม่อยากจะรู้ในสิ่งที่มีเหตุมีผลในสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นแปลว่าพาละชนเป็นคนพาดทำอะไรกับคนพาดเนี่ยหาที่สิ้นสุดไม่ได้ให้เขาบอกพาดไปเรื่อยมันมไม่สิ้นสุดหาที่จุดจบไม่ได้ เพราะนั้นพวกนี้เขาจริงในเมืองมนุษย์เขาไม่รู้จะทํำยังไงถ้าผิดเล็กเล็กน้อยเขาจะฆ่าทิ้งก็มันจะมากเกินไปเขาเลยไปขังไว้ในห้องขังที่เมืองอุดรบ้างที่จังหวัดใหญ่ใหญเอาไปขังขังขังเอาไว้พวกประเภทอย่างนี้ถ้าออกมากระ จ, จุ่นจั่านวุ่นวายอันนี้เราเนรกมนุษย์บางกันเ่อะพรมันไม่ยอมฟังใครเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยเขาเลยไปจับไว้ไปขังไว้ดัดทันดานไว้ก่อน ปล่อยออกมาอีกเป็นยังไงดีไหมถ้ามันไม่ดีก็จับก็ไปขังอีกต่อหลายครั้งต่อหลายหนถ้ามันทำรุนแรงจนมากเกินไปโอ้ยมันคงจะอยู่ในเมืองมนุษย์ไม่ได้แล้วนี่เราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไปอีกทีนี่อันนี้แหละการเป็นอยู่ของเราเพราะนั้นอย่าให้ถึงขนาดนั้นคิดเฉยๆในทางที่ไม่ถูกก็ควรจะห้ามเอาไว้ไม่ต้องถึงออกพูดออกไปไม่ต้องถึงการกระทาออกไป ถ้าคิดเออข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเขามาทำให้แก่เราเราก็คงจะเสียใจแย่เลยถ้าเราได้รับอย่างที่เขาโทษให้เราเนี่ยเขาหาโทษใส่เราอย่างนี้ทั้งที่เราไม่มีอะไรแต่เขาหาโทษใสเราอย่างนี้เราก็เสียใจถ้าเราไปเอาโทษให้แก่เขาหรือเราไปทำสิ่งที่มันไม่ดีให้แกชุมชนและสังคมถ้าชุมชนสังคมได้รับ อย่างที่เราทำน่นเขาก็เดือดร้อนฟุ่วายเสียหายเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีคิดข้าพเจ้าก็ไม่ควรจะคิดแล้วไม่ต้องถึงกับการกระทำ้วยการพูดอันนี้ก็คือพวกอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะให้นำมาพิจารณาปรปับปรุงกายใจของตนเองนะแล้วก็พร้อมกันสุดท้ายก็อย่าลืมชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอน อันนีจังทุกขังอนัตตามีทุกอริยาบททุกเก้าเดือนทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือคุณงามความดีในระดับโลกโลกที่อยู่ด้วยกันระดับคุณงามความดีอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหะทําสมาธิยังไงทําใจของเราจึงไม่กระเพื่อมพิจารณาอย่างไรใจของเราจึงจึงจะรู้แจง้งเห็นจริงจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารถ้าเราเกิดมาพบนายชาติหน้ามันก็คงเป็นอย่างนี้อีกอย่างเก่าเพอเพออาจารหนักหนาสาหัสกว่านี้อีกประต่างประเทศจะรบราข้าวฟันอดอยากอีกต่างหากมีมากมายภัยในโลกวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าหาความสุขไม่ได้เกิดมาในโลกนี้มีแต่ทําใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นละ่ะนั่นละ่ะจึงจะมีความ จึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงนิพพานังปรามังสุขขังเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าว่ามงยังไม่ถึงจุดนั้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นจะหาความสุขได้ยากแต่ว่าสุขสุขนั่นแหละแต่มันแฝงด้วยความทุกข์มากมายมหาศาลแต่เราจะพอดสุขคล้ายกับว่าไฟไม่อยู่ในฝ่ามือของเราเองแต่ไฟมันน้อยหน่อยมันก็เลยมีความสุขแต่ตามไม่จริง มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่มันไม่มากเท่านัเองถ้าเมื่อมันมากเมื่อไหร่เหลืออดเหลือทนจึงว่ามันทุกข์มันนะแต่ตามจริงมันทุกข์อยู่แล้วแต่เรามันเคยชินกับความทุกข์เหล่านั้นเราก็เลยมองไม่เห็นนะเพราะดันเพระพระพุทธเจ้าท่านให้มองเห็นทุกอนุของความคิดเลยแบบนั้นเปนไงคิดเป็นทุกข์การกระทาเป็นทุกข์การพูดเป็นทุกข์ เป็นการพูดยังไงผิดจริยธรรมหรือความถูกต้องคิดยังไงถูกต้องคิดยังไงผิดทํายังไงผิดทํายังไงถูกพูดยังไงผิดพูดยังไงถูกถ้าคิดถูกพูดถูกแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกไปด้วยเพราะเหตุอะไรเพราะใจใจของเรามันถูกต้องใจเป็นธรรมถ้าใจเราเป็นกิเลสและก็อยางว่านะมองอะไรขวางไปหมดขวางหูขวางตาง เห็นพ่อเห็นแม่เห็นสามีภรรยาเห็นครูบาอาจารย์เห็นคนผู้มีพระคุณทั้งหลายขวางไปหมดเพราะอะไรเพราะใจตัวเองมันขวางก่อนนะวันนี้ให้แนวความคิดมากมายหลายอย่างตอนนี้ไปรับพร น, นะตนนี้นะอนุโมทนาให้พร